เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาคู่ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ส2สองสิงหาคมพุทธศักราช2550เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งสำหรับชาวไทย ก็เป็นวันแม่เป็นวันคล้ายวันพระราชสมพน์ของสมเด็จพระนางเจ้าพ ร, พระบรมราชินีนาถซึ่งเป็นเป็นคุณแม่แทนบรรดาคุณแม่ของพวกเราทั้งหลายวันนี้เราจึงได้ใช้วันแม่นี้มาทำสิ่งที่ดี ให้กับคุณแม่และให้กับตัวเราเองด้วยการรำลึกถึงบุญคุณอันประเสริฐของคุณแม่และคุณพ่อท่านเป็นผู้ที่ให้กาเนิดกับเราชีวิตของเราเกิดมาได้เพราะท่านเป็นผู้ให้เราถ้าไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณแม่ ถ้าไม่มีตัวเราเราจะไม่มีที่เกิดดังนั้นพระคุณของคุณพ่อกับคุณแม่สำหรับเราจึงยิ่งใหญ่มหาศาลยิ่งกว่าน้ำในทะเลน้ำในมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาล ย, ยิ่งกว่าท้องฟ้าเราจึงไม่ควรที่จะลืมถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่นี้ วิธีที่จะทำให้เราไม่ลืมก็คือเราต้องกราบคุณพ่อคุณแม่ทุกๆวันเมื่อกราบแล้วเราก็ต้องลําลึกถึงพระคุณของท่านด้วยถ้าเราทำอย่างนี้ทุกวันเราจะไม่ลืมถ้าไม่ถ้าเราไม่ทำเราก็จะมีโอกาสลืมได้เพราะใจของเราต้องรับรู้เรื่องราวต่างๆมากมาย ในแต่ละวันเมื่อมีเรื่องต่างๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ก็จะถูกกลบไปถูกลบหายไปได้แต่ถ้าเราลำลึกถึงท่านอยู่ทุกวันทุกเช้าทุกเย็นท่านสอนว่าตื่นเช้าขึ้นมากราบพระแล้วก็กราบคุณพ่อคุณแม่ด้วยตอนก่อนนอนก็เช่นเดียวกัน กราบพระแล้วก็ให้กราบคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลำลึกเสมอว่าไม่มีคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีตัวเราถ้าเราทำอย่างนี้อยู่แล้วอยู่เป็นประจำแล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่ลืมพระคุณของคุณพ่อคุณแม่เราจะมีความกตัญญูกะตะเวทีซึ่งเป็นเป็นเหมือนเมล็ดแห่ง ความดีงามทั้งหลายคนเราจะดีได้จะยิ่งใหญ่ได้จะิญได้จะสูงได้ก็ต้องเกิดจากเมล็ดแห่งความกตัญญูกะตะเวทีนี้เองถ้าเราไม่มีความกตัญญูกะตะเวทีแล้วเราไม่มีโอกาสทีจ่จะเรินจะสูงจะประเสริฐได้จึงขอให้เราจง รำลึกถึงพระคุณของท่านอยู่เสมอเมื่อรำลึกแล้วเราก็ต้องทำหน้าที่ของลูกให้ดีเช่นให้ความเคารพเทิดทูนให้ความเชื่อฟังเวลาที่ท่านพูดอะไรขอให้คิดว่าเป็นเหมือนกำลังฟังเทศฟังธรรมจากพระอรหันต์เพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงเปรียบ คุณพ่อคุณแม่ว่าเป็นเหมือนพระอาหารหันต์ของลูกๆแม้ว่าคุณพ่อคุณแม่จะพูดอะไรฟังแล้วจะถูกอกถูกใจหรือไม่กต็ตามขอให้เราฟังด้วยความสงบอย่าไปโต้เถียงในสิ่งที่ท่านสอนที่ท่านพูดถึงแม้ถ้าท่านพูดในสิ่งที่ไม่ถูกก็ไม่ใช่ฐานะของเรา ที่จะไปโตเถียงกับคุณพ่อคุณแม่เราเป็นผู้รับโดยถ่ายเดียวเรารับร่างกายนี้มาแล้วเราก็ต้องรับคำสอนของท่านด้วยแล้วอีกหน่อยต่อไปเวลาท่านจากโลกนี้ไปเราก็รับมรดกจากท่านอีกดังนั้นเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปโตเถียงในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ พูดสั่งสอนเราขอให้เราฟังแล้วนำมาพิจารณาด้วยปัญญาถ้าสิ่งที่ท่านสอนไม่ถูกตามหลักธรรมก็ขอให้เราลืมไปเสียก็แล้วกันเราต้องยอมรับว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราก็ยังเป็นปุถุชนคนธรรมดาอยู่ย่อมมีความหลงย่อมมีความเห็นผิดเป็นชอบได้เหมือนกัน แต่สิ่งที่ท่านพูดออกมาถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ผิดกต็ตามแต่ออกมาด้วยจิตเมตตากรุณามีความปรารถนาดีต่อลูกอยากจะให้ลูกมีความสุขมีความเจริญดังนั้นถ้าเราเป็นลูกที่มีสติปัญญาสูงกว่าพ่อกับแม่เราก็จะ แยกแยะได้ว่าสิ่งที่ท่านสอนเรานั้นถูกหรือไม่อย่างไรถ้าถูกเราก็น้อมเอามาปฏิบัติถ้าผิดเราก็ปล่อยให้ผ่านไปได้ไม่ต้องกังวลเพราะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีความปรารถนาที่อยากจะให้เราทำอะไรที่ผิดแล้วจะเกิดโทษกับเราเพียงแต่ท่านอาจจะมองไม่เห็นก็ได้ เช่นพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าทรงมีสติปัญญาสูงกว่าพระราชบิดาพระราชบิดาก็มีความปรารถนาดีกับพระพุทธเจ้าอยากจะให้พระพุทธเจ้าเป็นพระมหากษัตริย์ตามที่ผลได้พยากรณ์ไว้ในตอนที่ทรงทรงประสูติมาใหม่ แต่เนื่องจากว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงบางแผ่นบุญบารมีเพื่อบรรุเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่เหนือกว่าการเป็นพระมหากษัตรยิย์อีกหลายล้านเท่าด้วยกันพระพุทธเจ้าจึงไม่สามารถปฏิบัติตามที่พระราชบิดามีความปรารถนาให้ปฏิบัติได้คือให้อยู่ ในพระราชวังและให้รับพระราชมรดกต่อจากพระราชบิดาแต่ทรงสละราชสมบัติแล้วก็ออกบวชแต่การออกบวชนี้ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เสียหายอะไรเป็นสิ่งที่ดีดีกว่าการอยู่เป็นกษัตริย์เป็นมหาจักรพรรดิเสียอีก เพราะการเป็นปุ้ถุชนคารนั้นย่อมต้องมีการกระทำผิดศีล<ม>เป็นธรรมดายิ่งเป็นกษัตริย์เป็นมหาจักรพรรดิเมื่อเวลาที่จะต้องทำสงครามก็จะต้องมีการฆ่ากันพระพุทธเจ้าซึ่งมีพระปัญญาสูงกว่าพระราชาบิดาจึงเห็นว่าการเป็นพระมหาจักรพรรดิ ไม่ได้เป็นการที่จะทำให้ประเสริฐไม่ได้ทำให้หลุดพน้นจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดมีแต่นักบวชเท่านั้นผู้ทรงศีลที่จะสามารถปิปฏิบัติตนให้เลิศให้ประเสริฐได้เพราะผู้ผู้ทรงศีลย่อมไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองย่อมที่จะทำแต่ประโยชน์ ให้กับผู้อื่นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้ ป, ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระราชบิดาทำให้พระราชบิดาต้องมีความเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากตอนที่ทรงเสด็จหนีออกจากพระราชวังเพื่อไปผนวชไปเป็นเป็นนักบวช แต่หลังจากที่ได้บำเพ็ญเพียรถึงหปีแล้วจนได้ตัดสรูเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้กลับมาโปรดพระราชบิดาและวงสาคานายาททั้งหลายให้มีดวงตาเห็นธรรมได้มีโอกาสที่จะบำเพ็ญตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ซึ่งไม่มีใครจะทำให้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าเป็นองค์แรกแล้วหลังจากนั้นก็จะมีพระอาหารหันตสาวกที่จะทำหน้าที่แทนต่อนังานเวลาที่คุณพ่อคุณแม่สั่งสอนให้เราทำในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องทำตามหรือถ้าเราเห็นว่า การออกบวชนั้นเป็นสิ่งที่ดีกว่าการอยู่เป็นคาราวาถถึงแม่คุณพ่อคุณแม่อยากจะให้เราอยู่กับท่านเพื่อรับมรดกรับรับสิ่งต่างๆที่ท่านมีอยู่เช่นบริษัทกิจกรรมการค้าต่างๆให้เราได้รับช่วงทางต่อจากท่านแต่ถ้าเราเห็นว่าการกระทำเหล่านี้ ไม่ได้พาให้ไปสู่ความสุขความเจริญที่แท้จริงไม่ได้พาให้ไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเรามีความปรารถนาที่จะออกบวชเราก็ทําได้ถึงแม้จะไม่เป็นไปตามความต้องการของคุณพ่อคุณแม่ก็ตามเช่นมีเรื่องหนึ่งในสมัยพุทธกาล ก็มีเศรษฐีมีลูกชายอยู่คนหนึ่งพ่อแม่ก็หวังว่าจะมอบทรัพย์สมบัติเข้าของต่างๆให้กับลูกหลังจากที่ตนตายไปแล้วแต่ลูกกลับมีจิตศรัทธาที่อยากจะออกบวชตามพระพุทธเจ้าก็ขออนุญาตบวชแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่อนุญาตลูกชายก็เลย อดอาหารไม่รับประทานอาหารถ้าไม่ได้บวชก็จะยอมตายจากการที่ไม่ได้รับประทานอาหารตอนตอน้นคุณพ่อคุณแม่ก็ไปขอร้องเพื่อนๆของลูกให้มากล่อมให้เปลี่ยนใจแต่เพื่อนๆมากล่อมอย่างไรก็เปลี่ยนใจลูกชายไม่ได้เพราะมีความแน่วแน่ต่อการออกบวชจนในที่สุด พ่อแม่ก็ต้องยอมอนุญาตให้ลูกชายได้ออกบวชเพราะสิ่งที่ลูกชายทํานั้นก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เสียหายอะไรเพียงแต่ไม่ได้เป็นไปตามความปรารถนาของคุณพ่อคุณแม่เท่านั้นเองแต่กลับจะเป็นการดีเสียอีกเพราะเมื่อลูกชายได้บวชและได้ปฏิบัติธรรม จนบรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็จะได้เป็นที่พึ่งของคุณพ่อคุณแม่ต่อไปเช่นพระพุทธเจ้าได้ทรงช่วยให้พระราชบิดาและพระราชารดาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดพระราชบิดาก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เจ็ดวันก่อนที่จะเสด็จสวรรคตไป ส่วนพระราชมารดาถึงแม้จะได้สวรรคตไปตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประสูตธแต่เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ทรงทรงจิตของพระองค์ไปค้นหาพระราชมารดาที่เกิดอยู่ในสวรรค์จนได้พบและได้อบรมสั่งสอน พระราชมารดาจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันไม่ต้องไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปผู้ใดที่ยังไม่ได้บรรลุตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปยังมีสิทธิ์ที่จะต้องไปเกิดในอบายคือไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสูรกายบ้างเป็นสัตว์นรกบ้าง เนื่องจากบาปกรรมที่เคยทำไว้ในอดีตแต่ถ้าได้บรรลุเป็นโสดาบันแล้วจะไม่ต้องกลับไปเกิดในอบายอีกต่อไปและจะมีพบชาติเหลือเพียงไม่เกินเจ็ดชาติก็จะได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้สิ้นสุดได้ถึงที่สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือสิ่งที่ นัก บ, บวชในพระพุทธศาสนาจะสามารถสอนให้ผู้อื่นบำเพ็ญและบรรลุได้ดังนั้นการบวชจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าคุณพ่อคุณแม่มีลูกไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายมีความปรารถนาที่จะออกบวชก็ควรจะอนุโมทนาอย่าไปขัดขวาง อย่าไปเสียใจเพราะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งผลที่เกิดจากการบวชนี้มีคุณค่ากว่าสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่เราจะสามารถมอบให้กับลูกของเราได้และจะเป็นสิ่งที่ลูกจะสามารถตอบแทนให้กับทกคุณของคุณพ่อคุณแม่ได้อย่างดีที่สุด พระพุทธเจ้าทรงจัดว่าต่อให้เลี้ยงดูบิดามารดาอย่างดีขนาดไหนก็ตา่างจะแบกท่านไว้บนบ่าบนไหลทั้งสองข้างให้ท่านได้ขับถ่ายรถตัวของเราของลูกเองไปมากน้อยเพียงไรก็ตา่างก็ยังไม่สามารถทดแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ได้มีวิธีเดียวทั้งนั้นที่จะ ทดแทนบุญคุณให้ได้หมดเลยก็คือการทำให้คุณพ่อคุณแม่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาเป็นผู้ที่มีความตั้งมั่นอยู่กับพระพุทธพระรัตนตรยัยเป็นผู้ที่มีความตั้งมั่นอยู่กับการทาบุญให้ทานเป็นผู้ที่มีความตั้งมั่นต่อการรักษาศีลและการปฏิบัติธรรม นี่แหละคือสิ่งที่ลูกจะสามารถให้กับบิดามารดาได้ดังนั้นจึงขอให้เราจงให้ความสาคัญต่อพระคุณของคุณพ่อคุณแม่อยู่เสมอพยายามกราบท่านอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าหรือไม่ได้อยู่ต่อหน้ากรตาถึงแม้ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันเราก็กราบท่านได้ เราสามารถลำลึกถึงท่านได้เพราะการกราบท่านนี้ไม่ได้หวังที่จะเอาหน้าเอาตาจากการที่กราบท่านแต่เป็นอุบายสอนให้เราลำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของบิดามารดาเพื่อเราจะได้ไม่ลืมและจะได้ตอบแทนคุณในเวลาที่เราสามารถที่จะทำได้ ถ้าอยู่ด้วยกันก็คอยรับใช้ท่านคอยดูแลท่านคอยช่วยเหลือท่านให้ความเคารพและให้ความเชื่อฟังกับท่านถ้าท่านตายจากเราไปแล้ว<ม>ก็ให้ทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปเผื่อท่านยังมีความจําเป็นที่จะต้องอาศัยบุญอุทิศนี้ท่านจะได้มี บุญจากเราเพื่อท่านจะได้เดินทางไปเกิดในภพต่อต่อไปได้นี่คือเรื่องของความกระตมยูกระตะเวทีที่เป็นคุณธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งของผู้ที่ปรารถนาที่จะเป็นคนดีที่จะเป็นคนที่มีความ น่านับถือต้องมีความกตัญญู ก, กะตะเวทีไม่ต้องอายถึงแม่พ่อแม่ของเราจะยากจนอย่างไรก็ไม่ต้องไปอายเพราะว่าความยากจนนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นสิ่งเสียหายอะไรแต่ความอับอายขายหน้ากลัวจะบอกคนอื่นว่าพ่อแม่ของเราเป็นคนยากจนนี่เป็นสิ่งที่ เสียหายมากกว่าเพราะว่าสำหรับเราแล้วพ่อแม่นั้นของเราท่านเป็นเหมือนพระอารหันต์ท่านเป็นผู้ประเสริฐเราควรที่จะกล้าที่จะประกาศให้ใครรู้ได้เสมอว่าเป็นผู้มีพระคุณกับเราเช่ น, นพระสารีบุตรก็ไม่เคยมีความอายเลยที่จะประกาศบอกบุญคุณของผู้ที่มีพระคุณกับท่าน แม้จะเพียงแต่จะให้ให้ข้าวท่านเพียงทัพพีเดียวเท่านั้นท่านก็ถือว่าบุคคลนั้นมีมีบุญคุณกับท่านอย่างยิ่งคือบุคคลนี้เคยใส่บาตรให้พระสาริบุตรครั้งหนึ่งด้วยข้าวหนึ่งทัพพีแล้วต่อมาก็มีความปรารถนาที่จะออกบวชก็ไปขอบวชกับพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ทรงถามพระสงฆ์ว่ามีใครบ้างรู้จักชายคนนี้หรือไม่ก็มีพระสาริุตุทรงตรอบทูลถวายว่าชายคนนี้เคยตักบาตรให้หนึ่งทัพีพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตให้ชายคนนั้นบวชได้นี่แหละคือความยิ่งใหญ่ของของคน อยู่ที่ความกระตันยูแม้ภาษาริบุตรจะเป็นถึงอักรสาวกของพระพุทธเจ้าและเป็นพระอาหารหันต์แต่ก็ยังไม่ลืมบุญคุณกับคนธรรมดาสามัญที่เคยตักข้าวให้ท่านหนึ่งทัพีแล้วอะไรกับพ่อแม่ของเราที่มีบุญคุณอย่างมากอย่างยิ่งใหญ่ เราทําไมจะต้องไปอับอายขายหน้าขายเราควรที่จะมีความภูมใจที่จะประกาศให้ทุกคนรู้ว่านี่คือคุณพ่อคุณแม่ของเราแล้วเราจะมีความสุขใจเราจะมีความสบายใจเป็นบุญเป็นกุศลสําหรับเราและจะเป็นฐานที่จะสนับสนุน ให้เราได้ทำความดีต่างๆเพิ่มขึ้นไปให้เรามีความสัมมาคารวะให้เรามีความเสียสละให้เรามีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนร่วมโลกด้วยกันนี่คือธรรมะที่จะพาให้เราได้พัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุด ก็จะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระอาหารหันต์ไปในที่สุด mm hmm. เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ตสาวกทั้งหลายได้บำเพ็ญมาในอดีตท่านก็เริ่มต้นจากความกระทำยูกระตเตวทีนี้ลำลึกถึงบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ตั้งตนอยู่ในโอวาทของคุณพ่อคุณแม่ ไม่ประพฤติตนให้เสียหายให้คุณพ่อต้องเสีย อ, อกเสียใจต้องทุกข์กังวลใจกับการประพฤติปฏิบัติของเราแล้วในที่สุดก็จะได้ไปสู่ที่สูงสุดที่จิตของเราจะสามารถไปได้ก็คือสู่พระนิพพานที่เราจะได้รับรางวัลอันประเสรฐคือปรามังสุ ข, ขัง บอารมมสุขเพื่อเป็นความสุขที่ไม่มีความเสื่อมคลายเป็นความสุขที่จะอยู่กับใจไปตลอดอนันตการนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเรามีความกตัญญูกตวเวทีจึงขอฝากเรื่องความกตัญญูกตวเวทีนี้ให้ท่านได้ไปพิจารณาเนื่องในวันแม่แห่งชาตินี้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 ด้วยอายุวั น, นสุขภาระโดยทั่วหน้าการเธอ